ยิ่งอยาพยันมันเพียนเอาใจใส่ในการเรียนข้อนี้เขียนว่าจิตตะนาบังสาคือการไตรตรองจะมองต้งคิดก่อนทำสี่ข้อนี้คอยจำโอภพงามคำอิทธิบาทเอ่ยโอแม บริยาขยันมันเพียนเอาใจใส่ในการเรียนข้อนี้เขียนไว้จิตตะนาา Oh, my g o